สังสารวัฏยาวนะยาวไกลใครระลึกชาติได้ให้รู้เวียนว่ายตายเกิดมีจริงๆไม่ใช่นิยายหลอกเด็กชีวิตทั้งก็แข่งขึ้นแข่งลงนะบางชาติก็รุ่งเรืองบางชาติก็รุ่งริ่งเอาแน่ไม่ได้ถ้าใครมีต้นทุนมากชีวิตก็สบายหน่อยไม่มีต้นทุนก็ลำบาก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 ทำมาหากินง่ายบางคนนะต้นทุนทางโลกน้อยทํามหากินลําบากกว่าจะกําไรนิดหน่อยก็ลําบากลนะบางคนนะไม่ต้องทํำไรนั่งนั่งนอนนอนเงินทองไหลมาเทมาก็มีเหมือนกันะแต่ต้นทุนทางธรรมมันเป็นอีกแบบหนึง่งคนยากคนจนนะอาจจะมีต้นทุนทางธรรมสูงก็ได้ต้นทุนทางโลกต่ําเรามีศีลไหมนะบางคนให้ทําผิดศีลนะทาไม่ได้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 ไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็มาฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองอย่าล่องลอยหลงโลกเพลินอยู่กับโลกไม่มีอะไรขึ้นมาโลกก็มีอยู่แค่นั้นเองโลกก็แค่รูปแค่เสียงแค่กลิ่นแค่รสแค่สัมผัสเท่านั้นเองเราเพลินไปเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหนะลงโลกอยากดูรูปสวยๆรูปสวยๆก็อยูย่ชั่วคราวอยากฟังเสียงดีๆเสียงดีดๆก็ อ, อยู่ชั่วคราวอยากได้รสอร่อยอร่อ ย, ออยแป๊บเดียว ใครชอบกินอะไรบ้างใครชอบกินทุเรียนบ้างมีไหมมือสิต้องถามคนไทยต้องถามชอบกินทุเรียนไหมเวลาไม่ได้กินทุเรียนานานๆ น, นะคำแรกอร่อยมากเนาะกินไปเรื่อยๆร อ, อร่อยไหม <c oughs> กินไปลูกครึ่งแล้ว <c oughs> ไม่อร่อยแล้วเห็นไหมความอร่อยเขาไม่เที่ยงนะรู้สึกสอิ่สเอียนแล้วความสุขจากการกินสั้นนีดเดียวเอง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 เส้นเลือดอุดตันในสมองอะนะเขาเาลูกก็เอาวีดีโอหลวงพ่อไปให้ให้ฟังให้ดูแกดูทุกวันเลยนะใจแกค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะอย่างนี้ก็มีนะบางคนเรานึกว่าเรียนไม่ได้แล้วฟังซ้ําแล้วซ้ำํำอีกก็เป็นขึ้นมาพวกเด็กเล็กๆเนี่ยฟังพวกเราผู้ใหญ่นะฟังหลวงพ่อเทศน์นรู้สึกยากนะบางทีเด็กเล็กๆฟังแล้วไม่รู้สึกยากแล้วตรงไหนยากมันก็ไม่ฟังนะออ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 วันนี้รู้สึกเอไม่ร้อนลนเหมือนเมื่อวานเมื่อว า, วานรู้สึกว่าอารมณ์มันรุนแรงออค่ะมาวัดวันแรกก็แรงหน่อยค่ะนะก็กเทิ่งแล้วก็เมื่อเช้ารู้สึกจะเพ่งมากกดๆเยอะออตอนนี้รู้สึกว่าจะผ่อนกว่ากาันเยิมเยอะค่ะถูกแล้วละ่ะนะดูไปเพ่อให้เห็นนะมันทํางานของมันเองมันหนักเอง เ, ออเบาเองนะดีเองร้ายเองห้ามไม่ได้เลยสั่งไม่ได้ อ, อ้ว่ามา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 จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบนะมันมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันความยินดียินร้ายนะดีใช่ได้ดีขึ้นเยอะเลยเอา้าวถ้าถ้าไม่ส่วนมากจะเบลอเบลอแล้วก็โกดแรงอะช่วงนี้ถ้ารู้สึกตัวปุ๊บมันจะมีความบีบคั้นมันถูกกับกนนะร่งายยรงกายเพิ่มขึ้นหน่อยนะช่วงนี้ดูร่างกายเยอะขึ้นหน่อยดูร่างกายเพิ่มขึ้นหน่อย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 ต้อทําปูเข็มเจ้อ่ะก็เมื่อวานมานี่ยังรู้สึกชัดเจนว่ามีความมัวแล้วก็มีเหมือนยังมาตอยเลยค่ะอหนึ่งหนื่งมากๆคือเจริญปัญญาเจริญสติอะไรไม่ได้มาเป็นปีแล้วค่ะแล้วเมื่อวานก็เป็นวันหนึ่งที่เจ็บเจ็บมากเจ็บคอเจ็บเข่า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 ข่าวชิราที่พระอาจารย์เมตตาสอนมาก็คือมันจะหมุนนะครับ อ, อาจารย์พูดว่าหมุนผมก็สงสัยไว้มันหมุนซ้ายหรือมันหมุนขวาหร <c oughs> อนี่ <c oughs> ไม่ต้องไปดูอย่างนั้นนะ <c oughs> ปกติมันหมุนไปทางเดียวกันป่ะครับว่ <c oughs> าตามว่าหมุนไปเรื่อยเลยนะหมุนใหมายถึงอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็เวียงไปทางตาเดี๋ยวก็เวียงไปทางหูทางจมูก <c oughs> ทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยหมุนอยู่ทางอายตนะหกอันนี้แหละครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ทั้งนั้นแหละ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 มันจะเห็นเป็นระยระะเข้ามาแทางๆที่ลืมตายเอ อ, อไม่เป็นไรตอนนั้ น, นให้ดูอะไรอะคะ่ะถ้ายินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันสงสัยก็รู้ทันรู้ทันจิตไปไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นถ้ารู้ทันจิตไหมเวลานั่งมันก็สว่างเป็นช่วงๆนะเมื่อีก็เคลิ้มๆไปเดี๋ยว ก, ก็สว่างขึ้นมาสว่างข้ามาก็ได้แรงทิ้งธรรมดาในนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะ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 ไม่ไม่รู้สึกว่าใจกระเพิ่มเหนืออะไรแต่เมื่อเช้ามาแล้วรู้สึกว่าใจกระเพิ่มก็เลยก็เลยมีปิติก็คิดว่าเรารู้จริงเออนั่นแหละนะามาใหม่ๆนะได้ยินละคังใจกระเพิ่มนะถ้าพวกเก่าๆเนี่ยได้ยินละคังน้ำลายไหลเลยค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะกลาวหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้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 ไม่มีอะไรมาเร่าใจเราให้ไหลเข้าไปหรอกกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้ส่งมาเป็นที่รอบสองค่ะรอบแรกส่งตอนน้ำท่วมค่ะก็ตอนนี้นำรถค่ะก็ที่ทำทุกวันก็คือลูยยกไม้ ย, ยกไม้ก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิะคะ่ะแล้วก็พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนะคะก็จะคือตามรู้แต่ว่าพอหลังจากรู้แล้วมันจะเริ่มเป็น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 6, เดือ น, นครับเดิน oh. จงกรมแล้วนั่งสมาธิแล้วก็รู้ทันใจเราไหมก็ oh, รู้บ้างไม่รู้บ้างครับก็ oh, ต้องขยันรู้หน่อยเ oh. ช่นนั่งอยู่นะใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้อ oh. นะเวลาเดิ oh. นก็เหมือนกันครับเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดูไปเลยให้รู้แตทันใจเราไม่ได้เดินสงเด่นหรเราเดินแล้วเราก็รู้ทันใจของเราไปแต่ก็นั่งเราก็รู้ทันใจของเราไปนะ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 ดูลงปัจจุบันไปดูทุกอย่างที่กาลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันสลายตัวให้ดูไปค่ ะ, ะม่มีตัวเพอค่ ะ, คะแล้วก็มีวันหนึง่งยอมเห็นความมุญจิตร์อพอเห็นตากระทบรูปปับ๊บยอมกดความกุงงญจิตมากแล้วยมก็เห็นผู้รู้ตัวหนึง่งแล้วความกุญจิตตัวหนึง่งแล้วเสร็จแล้วยมก็เห็นว่าตรงกุญจิตนะ่ะก็เป็นแค่ขันท่าที่มันปรุงใช่เป็นขันที่มันปรุงขึ้นมาเองเออต้องเห็นอย่างนั้นอ่ะอ่าที่มันปรุงขึ้นมาเองแล้วขันที่มันปรุงขึ้นมาเองมันก็คืออนัตามไม่ได้มีตัวมีตนเลยแกระะทั่งจิตเ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 <Okay. S 2> คือเวลาที่จิตสรงสมาธิจริงๆนะไม่คิดไม่เนื้อเไรนะรู้ตัวเฉยสว่างว่าง oh. ถ้อมันถอนนะเนี่ยมันเริ่มพูดได้แล้วต oh. ัวมาพูดได้แล้วเราก็ไปบ่นตัวเองไม่น่าพูดขึ้นมาเลยทําให้เราสมาธิถอนความจริงถอนถึงจะพูด oh. นะไม่ใช่พูดแล้วถอนแมันถอนแล้วจิต ม, ม, มันรวมมันก็จะนิ่งๆไปเลยมันรวมมีหลายแบบบางพวกรวมเพราะกับโมหะไปเลยลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะ uh huh. บางพวก